วันนี้ <c oughs> เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบหกพฤศภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเสียงแหบคงเยอะคิดว่าคงเยอะติดหวัดมาก็ฟังเสียงแหบแผบไปวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรนระ วันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงมอบธุระให้กับสาธุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาะการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้มาทำธุระทางธรรมกันหนึ่งวันให้หยุดปล่อยวาง การทำธุระทางโลกการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาราบยศสรรเสริญสุขเพราะว่าการทำธุระทางโลกไม่ว่าจะร่ำรวยขนาดไหนเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถทำให้จิตใจ <c oughs> หลุดพ้นจากกองทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ทำมาหากินจนร่ำรวย <c oughs> ตายไปสมบัติ <c oughs> ที่หามาได้ก็ทิ้งให้คนอื่นไปใจก็ต้องไปเกิดใหม่ก่อนจะไปเกิดก็อาจจะต้องไปใช้กรรมเรือรับผลบุญก่อนก็นอยู่กับว่าเวลาที่ <c oughs> มีชีวิตยอยู่นั้น ได้ทำอะไรไว้มากกว่ากัน <c oughs> <c oughs> ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะได้ไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อนแต่ถ้าทำบาปมากกว่าบุญก็จะต้องไปรับผลบาปก่อนในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปตกนรกจนกว่าบุญกับบาปที่มีในใจนั้น มีกำลังเท่ากันก็จะมารอรับร่างกายของมนุษย์อันใหม่ต่อไปมาเกิดใหม่แล้วก็มาทำธุระทางโลกเหมือนที่เคยทำมาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งอะไรไปแล้วก็ต้องมาพบกับความทุกข์ต่างๆในการดำรงชีวิต ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายนี่คือผลของทางทการทำธุระทางโลกก็จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดบางพบก็มาเกิดแล้วก็ร่ารวยบางพบก็อาจจะมาเกิดแล้วยากจน บางภพก็อาจจะได้มาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตบางภพก็อาจจะได้มาเกิดเป็นคนต่ำต้อยเป็นขอทานข้างถนนเพราะเรื่องของบุญของบาปนันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปหลีกเลี่ยงได้ผลของบุญของบาปทำกรรมมันใดไว้จะเป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดี จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องรอมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้จิตใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มีใครรู้วิธีของการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดว่าจะหลุดพ้นได้อย่างไรก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเช่นในยุคนี้พวกเหล่านี้ถือว่าเป็นพวกที่โชคดีมากเหมือนกับทูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ไม่ใช่เป็นของที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่มีคนทั่วประเทศอยากจะถูกกันแต่มีสักกี่คนที่จะถูกกันได้ฉะนั้น <c oughs> ในการที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ยากมากแต่เมื่อได้มาเกิดแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่โอกาสทองของชีวิต เราะจะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อที่จะได้หยุดยุดติการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้นั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆความทุกข์ก็ต้องมีไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์ที่เราได้พบผ่านมาแล้วนี้จากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ มีเป็นจานวนมากพระพุทธเจ้าทรงให้เราเอาน้ำตาที่เราหลั่งแต่แต่ละภพแต่ละชาติมารวบรวมกันไว้เนี่ยมันจะมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรนี่คือปริมาณของความทุกข์ปริมาณของภพชาติที่เราได้มาเวียนว่ายตายเกิดกันนับจำนวนไม่ได้เขียนได้เขียนด้วยตัวเลขไม่ได้ต้องเอาน้ำตามาเป็นเครื่องวัด พบหนึ่งชาติหนึ่งเรามาเกิดนี่เราก็ต้องร้องห่มร้องไ ห, ห้กันเศร้าโศกเสียใจกันเนี่ยน้ําตาที่เราหลั่งแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรกิดเดือดว่าจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกี่รอบกันกี่ครั้งกันถึงจะได้น้าน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเรา ได้เจอกันมาและจะได้เจอกันต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่เรากลับไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถึงแม้ม huh. exactly. ีโอกาสแต่ไม่ช่วยโอกาสนั้นเหมือนคนที่ถูรอตตรี่รางวัลที่หนึ่งแทนที่จะเอารอตตรี่ไปขึ้นรางวัลก็เอาไปทิ้งในถังขยะก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการถูกัตตรี่รางวัลที่หนึ่งแต่อย่างใดเมื่อถูรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ต้องเอารอตตรี่นี้ไปขึ้นรางวัลการขึ้นรางวัล คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ขึ้นด้วยการศึกษาและปฏิบัตินั่นเองก็คือการมาทําธุระที่พระเจ้าทรงมอบให้กับผู้ที่ปรารถนาในการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้มาทํากันทําธุระทางธรรมมีอยู่สองธุระด้วยกันธุระอันแรกเรียกว่าคันถาธุระ แปลว่าการศึกษาลรื่เรียนคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วทุระอันที่สองก็คือวิปัสสนาทุระการปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งในมรรคผลนิพานในการหลุดพ้นจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือทุระทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้ชาวพุทธเรามา เริ่มปฏิบัติกันเริ่มปฏิบัติกันอย่างจริงจังก็ต้องทำในวันพระนี่แหละวันที่เราหยุดทำงานถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นวันหยุดทำงานเราก็ไปเอาวันหยุดทำงานของเรามาเป็นวันพระได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเอาวันพระตามที่เขากำหนดไว้ในปฏิทินเพราะว่าความหมายของวันพระก็คือวันที่เรามีเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาว่างนี้มาทำธุระสองธุระนี้คือทำคันถะธุระและวิปัสนาธุระเช่นวันนี้ท่านสาธุชนก็มาที่วัด น, นี้มาทำคันถะธุระในเบื้องต้นมาฟังเทศฟังธรรมประมาณสาสินาทีด้วยกันช่วงแรกของการการทำธุระ ในธรรมนี้ก็มีอยู่แบ่งเป็นสองช่วงสามสิบนาทีแรกก็เป็นการกธรทำคันธาทุระฟังเทศฟังธรรมศึกษาเรียนรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อให้หยุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร <c oughs> แล้วช่วงที่สองสามสิบนาทีต่อมาก็เป็นช่วงปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อให้เกิดความสงบขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในเบื้องต้นเราต้องศึกษาก่อนศึกษาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างอุตจ้าก็ส่งสอน <c oughs> สองแบบด้วยกันสอนแบบ สอนแบบผู้ที่สอนให้กับพระผู้ที่เป็นนักบวชแล้วสอนแบบผู้คลองเรือนคขาละหารผู้คองเรือนจะต่างกันนิดหน่อยอคือถ้าบวชเป็นพระก็ให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้รักษาศีลถ้าเป็นนักบวชก็ศีลสองร้อยิบเจ็ดข้ อ, อถ้าเป็น ส, นนสนัมมาเณนก็ศีลสิบนี่คือศีลนะ ต้องปฏิบัติต้อ ง, งระงับการกระทําที่ทำให้เกิดโทษทำให้เกิดความทุกข์เกิดให้เกิดความวุ่นวายใจเป็นการกระทําที่ส่งเสริมกิเลสตัณหาที่เป็นเหตุที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็ <Yeah. S 1> ต้องใช้ศีลเป็นตัวระงับคอยกำจัดความอยากที่กระทําสิ่งต่างๆที่ไม่ควรจะกระทำํำ ศีล ส, สมาธิปัญญารักษาศีลได้แล้วก็ไปฝึกสมาธิปัญญาก็ศึกษาจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำมาไปพิจารณาไตรตรองให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรและเมื่อสามารถเห็นตามความเป็นจริงรู้ว่าจะต้องละอะไรเพื่อจะทาให้ความทุกข์ เพื่ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดชิ้นสุดลงก็ระงับเหตุนั้นเสียเหตุที่ทำให้มาเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่พาให้มาทุกข์กันก็คือตัณหาความอยากกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เถ้ารู้เวลาเกิดตัณหาเหล่านี้ก็ต้องใช้สมาธิเป็นตัวหยุดมันปัญญาเพียงแต่สอนให้ดูว่า นี่คือเหตุที่พาให้ไปเ ว, วียน่ายตายเกิดพาไปหาความทุกข์ถ้าไม่อยากไปหาความทุกข์ก็ต้องหยุดมันแต่จะหยุดมันได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่กาลังของใจถ้าใจไม่มีกำลังไม่มีสมาธิก็หยุดไม่ได้ถ้าใจมีสมาธิใจก็จะหยุดตันหาความอยากต่างๆได้เมื่อปัญญาสอนให้ใจรู้ว่า ตัวที่มาพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ทำให้ต้องมาทุกข์ทรมานเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนี้ก็คือตัวตันหาความอยากสามตัวนี้การ่ตันหาความอยากเสในรูปเสียงกลิ่นรสภาวาตัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากเริ่มอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากอยู่ไปนานๆ วิภาวะตันหาความอยากไม่มีไม่เป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากตกทุกข์ได้ยากลําบากเป็นต้นความอยากเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นนะมันก็จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ อ, ยอ น, นี่คือธรรมที่ต้องศึกษาและปฏิบัติสําหรับผู้ที่เป็นผู้นักบวชศีล ส, สมาธิปัญญาแต่ถ้ายังเป็นคารว่าผู้ครองเรือนอยู่ พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนา mm hmm. ภาวนาก็คือการเจริญสมาธิ mm hmm. จเจริญปัญญานี่เอง mm hmm. อย่นี้นมาของค า, าววะญาติโยมนี้มีเพิ่มอีกข้อหนึ่ง mm hmm. ก็คือข้อการทาบุญทาทานเพราะการมีเงินมีทอง mm hmm. การใช้เงินใช้ทอง mm hmm. การหาเงินหาทองนี้ mm hmm. จะเป็นอุปสรรคขวางกาั mm ้น hmm. การปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เป็นเหมือนสมอเรือเวลาเราทอดสมอเรือนี่เรือจะลอยไปตามกระแสน้ำไม่ได้ถ้าเราต้องการให้เรือแล่นไปตามกระแสน้าเราต้องถอนสมอขึ้นมาก่อนถึงจะไปได้การที่จะให้ใจหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดใจก็ต้องถอนสมอก่อน สมองของใจที่ถ่วงใจไว้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี่เองเพราะว่าถ้าเราอาศัยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราก็ต้องคอยหาให้มันมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ความสุขที่เราได้จากการใช้เงินทองนี้มันก็ไม่อิ่มไม่พอหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปได้ความสุขประเดียวประดาว ไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกลับมาความสุขที่ได้จากไปเที่ยวก็หมดไปก็ต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะได้เอาเงินไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งมันก็จะหาเงินแล้วก็ใช้เงินไปอย่างนี้ไปได้เรื่อ ย, อยมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทําทําธุรกรรมทางศาสนาทางธรรมไม่มีเวลาที่จะมาฟังเทศฟังธรรมไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมดูสังเกตวันนี้มีกี่คนที่สามารถมา ทำธุรกรรมทางธรรมได้มีน้อยมากคนส่วนใหญ่นี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สํานักงานอยู่ที่ทํางานกันวุ่นวายกับการหาเงินหาทองกัน <Yeah. S 1> น, นี่ <c oughs> สิ่งแรกที่เราจะต้องถ้าเรายัางใช้เงินใช้ทองอยังหาเงินหาทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเป็นเครื่องมือในการดักความทุกข์อยู่นี้เราต้องเลิกใช้วิธีนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทําให้เรา หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่มัน ม, มีแต่มันจะทําให้เราติดอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆ<ม>เพราะเราจะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องวางแผนแล้วว่าต่อไปนี้<ม>เราจะลดเวลาหาเงินหาทองลงไป แล้วเราก็จะลดการใช้เงินใช้ทองให้มันน้อยลงไปถ้ามีมากก็เอาไปทำบุญทำทานถ้ามีน้อยต้องเก็บเอาไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็เก็บเอาไว้ถ้าไม่มีเงินทำบุญทำทานก็ดีจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินกับการใช้เงินจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต่อไปสาหรับ ขั้นที่หนึ่งก็พยายามลดลดละการหาเงินหาทองลงหรือถ้ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้มากเกินไปก็เอาไปบริจาคเอาไปทําบุญทําทาน <c oughs> อย่าไปอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะมันดับไม่ได้มันดับได้ชั่วคราวประเดียวประดาวเวลาไปเที่ยวก็เกิดความร่าเริงเกิดความสุขใจ พอเวลากลับมาจากการไปเที่ยวไม่นานใจก็ซึมเศร้าเหมือนเดิมก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยถ้าเที่ยวก็ต้องใช้เงินเงินต้องใช้เงินก็ต้องหาเงินเมื่อหาเงินก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติมาศึกษาธรรมนี่คือเรื่องของการทำทานคือให้ยุติการหาเงินหาทอง หาเฉพาะเวละหาเท่าที่จำเป็นต่อการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอถ้ามีเหลือเฟือมีมากเกินไปก็อย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปใช้ในทางที่ถูกเพื่อเอาไปทำบุญทำทานเพื่อเราจะได้ไม่ยึดติดกับเงินทองเพื่อเราจะได้ถอนสมองเรือสมองที่ดึงใจไว้ให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ใจของเราจะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้จะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปคือขั้นศีลเบื<ม>้อง<ม>ต้นเราก็รักษาศีลห้ากันไปก่อนสาหรับคารวะทุกกองเรือนรักษาให้ได้ทุกวันทุกข้อละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดในการม ละเว้นจากการพูดปดแล้วก็ละเว้นจากการเสพสายาเมาและอบายามุขอย่าง อ, อื่นอื่นเพราะการกระทาเหล่านี้มันจะทำให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายนั่นเองเราไม่ต้องการไปเวียนว่ายตายเกิดแม้แต่ในสุคติเราก็ไม่ต้องการไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ถ้าเราต้องการหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในอบาย เราต้องรักษาศีลห้าให้ได้บริสุดรักษาให้มันเป็นนิจศีลสมาทานครั้งเดียวแล้วจบต่อไปนี้พระเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดชีวิตอันนี้เป็นขั้นปฏิบัติของคู่ครองเรือนเบื้องต้นก่อนแล้วพอเราสามารถรักษาศีลห้าเป็นนิจศีลได้เราก็จะปิดประ ต, ระตูอบายได้ ตายไปเราก็จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไม่เคยไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอนุสวรกายไม่ไปตกนรกกันแต่เรายังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในสุคติอยู่ถ้าเราอยากจะออกจากสุคติออกจากการมมาพบเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติ เพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าให้ขึ้นไปเป็นศีลแปดศีลแปนี้จะทำให้เราตัดการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผทธภะไปถ้าเรายังเสบรูปเสียงกลิ่นลดผทธภะอยู่เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามาภพอยู่ถ้าเราอยากจะออกจากกามาภพเราก็ต้องยุติการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผทธภะด้วยการถือศีลแปเป็นนักบวชชั่วคราว เป็นคาราวาชก็มาบวชในวันพระกันชั่วคราวศินแปดนี้เรียกว่าเป็นศินของนักบวชเป็นเน่ฆัมมะนักบวชทั้งหลายที่จะต้องการหลุดออกจากกองทุกนี้ต้องปฏิบัติเน่ฆัมมะให้ได้ด้วยกันทุกคนเือให้ละเว้นการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นลดศีลข้อสที่ในศินห้าที่ให้ไม่ให้ปฏิบัติประพฤติผิดในกามก็เปลี่ยนมาเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ คือไม่มีการร่วมหลับนอนกับใครเลยไม่หาความสุขจากการเสพกามถึงแม้จะเป็นคู่ครองของตนก็ตามเพราะว่ามันจะทำให้ติดในกามมาพบนั่นเองถ้าอยากจะหลุดออกจากกามมาพบก็ต้องยุติการเสพกามให้ได้มีขอ้ขอข้อศีลข้อแปดสินแปดของสินข้อที่สามของสินแปดก็คือการถือพรหมจรรย์ อร拉มจาริยาเวรมณี <c oughs> ยะเว้นการมาพูดที่ไม่เป็นพรหมจรรย์ <c oughs> เราจะพูดประพฤติแต่ที่การเป็นพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรมนี่ก็คือพรหมพรหมไม่เสพกามพรหมเขาเสพความสงบเสพรูก ป, ประชานาลูก ป, ประชาน <c oughs> นั่นคือจุดหมายปลายทางที่เราจะไปหลังจากที่เราปิดประตูบายได้แล้วเราก็จะต้องการออกจากกามาพบ <c oughs> เพื่อเข้าสู่รูปะพบและอรูปะพบตามลำดับต่อไป <ST. S 1> การจะเข้าสู่รูปะพบอรูปะพบการที่จะออกจากการมาพบได้ก็ต้องถือศีลแปแล้วก็ปฏิบัติเจริญสมมาทิวนาหรือเรียกว่าเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อจตายให้สงบให้ใจเข้าสู่รูปฌปานและอรูปฌาน <ST. S 1> ถ้าเราสามารถถือศีลแได้ในวันพระ แล้วนั่งสมาธิทําจิตให้รวมเข้าสู่รูปฌานหรืออรูปฌานได้เราก็จะออกจากกามาพบแบบชั่วคราวก่อนออกจากการมาพบในวันพระ <c oughs> ถ้ามีสติดีก็ก็จะเข้าสู่รูปฌปานได้ถ้ามีสติมากกว่า น, นั้นก็จะเข้าสู่อรูปฌปานได้ <c oughs> ก็จะออกจากกามาพบไปสู่รูปรพบหรืออรูปรพบ ขึ้นอยู่กับฌานที่เราได้้ว่าเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานรูปฌานนี้มีความสุขน้อยกว่าอารูปฌานอารูปฌานนี้มีความสุขมากกว่าจิตสงบนิ่งมากกว่ า, ารูปฌานจะจะนิ่งมากนิ่งน้อยก็อยู่ที่กําลังของสติที่เราจเจริญกันถ้าจิตสติมีกําลังมากก็จะสามารถเข้าสู่ขั้นอรูปฌานได้ ถ้ายัางมีไม่มากก็อาจจะเข้าสู่ขั้นรูปฌานก็ได้ซึ่งทั้งสองชั้นนี้ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นการที่จะทำให้เราก้าวสู่การหลุดพ้นออกจากตายพบต่อไปเริองต้นเราปิดประตูบายก่อนไม่เวียนว่ายตายเกิดในทุกขติแล้วเราก็ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสุกติออกจากการ ออกจากการอยู่ในการมาพบแล้วมาฝึกสตินั่งสมาธิถือศีลแปดแล้วก็จะเข้าสู่รูประพบหรืออารูประพบ<ต>พอเราได้รูประพบหรืออารูประพบแล้วเราก็อยากจะให้มันมีให้มันเป็นอย่างนี้ไปทุกวันเราก็จะออกบวชกันใครก็ตามถ้าได้ถือศีลแปด ได้ปฏิบัติจนได้รูปฌานเรือรูปฌานแล้วก็จะเบื่อเบื่อ mm. เบื่อกับทางโลก mm. เบื่อกับการเสพกามเพราะมันหยาบมันไม่ละเอียดเหมือนกับความสุขที่ได้จากการเข้าฌานกัน mm. เป็นความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวง mm. เหนือกับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรส mm. ก็จะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมเป็นคารวาส่วนใหญ่ก็จะออกบวชกันก็ mm. Mm. มาปฏิบัติศีลสมาธิ ต่อไปอย่างอย่างอย่างต่อนี่ไม่ใช่แต่เฉพาะวันพระปฏิบัติไปทุกวันจนกระทัง่งจิตนี้กลายเป็นรูปประชานรอรูปประชานไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนจิตก็อยู่ในรูปประชานเรื อ, อรูปประชานได้ที่ตามที่ต้องการถ้าตายไปก็จะไปเกิดในกาง ร, รูปภพจะไม่กลับมาเกิดในอรูปภพ มันจะไม่กลับมาเกิดในการามมาพบเพราะไม่เสดก ร, รมแล้วจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> อันนี้กอ็อาจจะต้องกลับมาก่อนถ้าเป็นเป็นเป็นได้ฌานด้วยสติด้วยกำลังของสติการมาตัญหาความอยากถึงแม้จะไม่โผล่ขึ้นมามันก็ยังฝังอยู่ในใจเพราะกำลังของสตินี้ไม่สามารถที่จะ ขุดากถอนโคนตัวที่อยากจะเสพรูปภพเลือดรูปภพได้ตายไปก็ยังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วเมื่อเวลาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาบวชกันมาเข้าฌานกันมาฝึกสมาธิกันก็ยังต้องยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในในตายพบอยู่ตานตาส่วนใหญ่จะไปอยู่ในรูปภพเลือดรูปภพ เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเพื่อที่จะได้มาปฏิบัติรูปฌปานเรือก ร, รูปประชาน <Yeah. S 1> เพราะว่าฌานที่ได้จากการเจริญสตินี้ยังไม่สามารถกำจัดกมามัตหาได้กามาตหาเพียงแต่ถูกกดไว้ด้วยกำลังของฌานของสมาธิเวลาฌานอ่อนลงสมาธิอ่อนลงกามาตหาก็จะดึงจิตให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ yeah. แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็แทนที่จะไปเสพกามก็จะไปไปเสพ ร, ร, ร, รูประชานหรืออรูประชานแทน mm hmm. เพราะเคยเคยสัมผัสกับความสุขแบบรูประชานหรืออรูประชานมาแล้วรู้ว่าเป็นความสุขที่ดีกว่า mm hmm. ถ้าอยากที่จะออกจากรูประพบหรืออรูปรพบอย่างถาวร น, นี้ mm hmm. ก็ต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสนาหรือปัญญา mm hmm. วิปัสนาหรือปัญญาก็จะสอนใจให้รู้ว่า แม้แต่รูปภพหรืออรูปภพที่เป็นพบที่ละเอียดเป็นพบที่มีความสุขอย่างยิ่งก็ตามก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ยังเจริญแล้วยังเสื่อมได้อยู่เข้าฌานได้ก็ออกจากฌานฌานนั้นก็เสื่อมได้ก็ยังไม่ได้หลุดพ้นอย่างถาวรถ้าต้องการหุดพ้นอย่างถาวรต้องหยุดความอยากที่จะไปเสพรูปฌานหรือรูปฌานเสีย เมื่อตัดความอยากที่จะไปเสพรูปฌานเบื้องต้นต้องตัดความอยากที่จะเสพกามกามก่อนด้วยการเจริญปัญญาพิจารณากามว่าเป็นไตรลักษ์รูปเสียงกยลิ่นเลิศผลสภาเป็นไตรลักษ์เป็นความสุขชขั่วคราวพอตัดกามมาตัญหาได้แล้วก็ไปตัดภาะวะตัญหาคือความอยากจะเสพรูปฌานหรืออรูปฌาน <Yeah. S 2> พอตัดความอยากทั้งสามนี้ได้แล้ว yeah. ก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปต้องการาการจะตัดความอยากได้อย่างถาวรต้องตัดด้วยปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้เช่ชนการการมงคณห้าก็ดีรู ป, ประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีนี้ยังเป็นทุกข์อยู่ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา เวลามันเสื่อมก็จะทําทให้ใจเศร้าใจทุกขึ้นมาถ้าไม่อยากจะเศร้าไม่อยากจะทุกก็ยุติการการเสพรูปประชานลูปประชาน<ม>การเสพกามเสีย<ม>เพราะตัดกามมาตัญหาได้ตัดภาวะตัญหาคือการอยากจะเสพรูปประชานลูปประชานได้<ม>การเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลง<ม>จิตที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดจิตที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลตัญหา เราก็เรียกว่นนานิพพานจิตดวงนั้นก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอาหารตัสาวกทุกๆรูปดี mm hmm. ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วเพราะใจท่านบริสุทธิ์ผุดพองปราศจากกิเลสตัณหาตัวที่เป็นเหตุพาให้มาเวียนว่ายตายเกิดนี่คือผลที่จะเกิดจากการทาธุรกรรมทางธรรมคือทำคันถาธุระและวิปัสสนาธุระ พอหลุดพน้นแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มาทําประโยชน์ให้กับโลกต่อไปด้วยการเอาความรู้ที่ได้จากการหลุดพน้นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพน้นแต่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพน้นก็จะได้เรียนได้ศึกษาต่อได้แล้วก็จะสามารถนํามา ป, ปฏิบัติจนหลุดพน้นได้ต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตอนนั้นอายุท่านแค่35สหปี หลังจากนั้นอีกสี่สิบ้าปีก่อนที่ท่านจะตายท่านก็ใช้เวลานั้นสั่งสอนศรัทาญาติโยมภิกษุภิกษุณีถึงวิธีการปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ปรากฏมีพระอาหารหันต์ตัศวรคปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากและพระอาหารหันต์ตัวกคเหล่านั้นก็มาทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะช่วยพระพุทธเจ้าจึงทาให้พระพุทธศาสนานี้เจริญกว้างใหญ่ไพศาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ ถ้าพวกเราอยากจะร <c oughs> ักษาพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติอมีค่าของโลกนี้ให้อยู่ไปนานๆเราก็ต้องมาทำทุระทั้งสองอันนี้ทำคันถาทุระและวิปัสนาทุระเพื่อประโยชน์เบื้องต้นก็คือการหลุดพ้นของเราจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็หลังจากที่เราหลุดพ้นแล้วเราก็จะได้มาช่วยเหลือผู้ที่ยังติดอยู่ให้ได้หลุดพ้นต่อไปนี่คือเรื่องของการมาทำทุรในวันพระ สองประการคือคันธาธุระและวิปัสนาธุระ mm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะเราจะใช้เวลาอีกส0สบนาทีโดยประมาณมานั่งสมาธิกันมาปฏิบัติสมถะภาวนา mm. ซึ่งเป็นธรรมที่จะทำให้เราทำจิตใจให้สงบกด ก, ฎกิเลสตัณหาทั้งสามตัวว่าชั่วคราวทำให้ใจมีความสุขสดชื่นเแบบิกบานมีกาลัง ที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆต่อไปถ้าเราจเจริญปัญญาแล้วเห็นว่าตัวที่มาทำให้เราต้องมาทุกข์มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาทั้งสามนี้เราก็จะใช้สมาธินี้หยุดมันได้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะหยุดมันไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติสมาธิจึงเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นปัญญาถ้าเราไม่มีสมาธิไปขั้นปัญญาเราก็ใช้ปัญญามามาหยุดความอยากไม่ได้ ต้องใช้กำลังของสมาธิปัญญาเพียงแต่เป็นผู้เห็นผู้บอกว่าตัณหาความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้เรามาทุกมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องหยุดตัณหาหยุดความอยากต่างๆดังนั้นต่อไปนี้เราก็จะมาฝึกสมาธิกันมาหยุดตัณหาความอยากชั่วคราวด้วยการทําใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดความคิดนถ้าใจหยุดคิดแล้วตัณหาความอยากก็ทํางานไม่ได้ ปัญหาความอยากต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือต้องคิดถึงคนนั้นคนนี้ต้องคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสพอคิดแล้วก็จะเกิดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้คิดความอยากก็จะไม่เกิดพอความอยากไม่เกิดใจก็จะนิ่งสงบเย็นสบายชั่วคราวต่อไป น, นี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันวิธีนั่งก็ต้องมีสติคอยกำกับใจให้ผูกไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นถ้าเราใช้พุทธโธปฏิกรรมพุทธโธอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอารมณ์อย่างหนึ่งที่เราสามารถผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆได้หรือถ้าเราใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่หน้าท้องก็ได้ดูเฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมเข้าลมออกก็ให้รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าหยาบหรือ ล, ละเอียดลมสั้นลมยาวก็รู้ว่าตามความเป็นจริง อย่าไปบังคับให้หายใจลึกๆยาวๆอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีปฏิบัติใจมีเพียงหน้าที่ดูเฉยๆเพราใจจัได้ไม่ต้องทำงานถ้าไปบังคับลมนี้ใจยังต้องทำงานอยู่ถ้าใจทำงานใจก็จะไม่สามารถอยู่อยู่ในความสงบนิ่งได้ต้องการให้ใจนิ่งสงบต้องให้ใจรู้เฉยๆหรือดูเฉยๆเท่านั้นเองถ้าดูลมได้ก็ดูที่ปลายจมูกหรือดูที่หน้าท้องยุบหนอพอง โดยจะใช้คำบริกรรมก็ใช้คำบริกรรมอย่างเดียวก็ได้โดยจะใช้คำบริกรรมคำกับควบคู่ไปกับการดูลมก็ได้ลมเข้าก็ว่าพุทธลมออกก็ว่าโทก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่จริตของแต่ละคนทำอย่างไหนแล้วมันได้ผลก็เอาแบบนั้นโดยถ้ายังดูลมไม่ได้ยังพุทโทไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดอิติปิโสไปหรือสวดบทแผ่เมตตาไปก็ได้สวดไปหลายๆรอบหรือสวดอาการสาสิบสองไปก็ได้ ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแต่ต้องมีอะไรทำต้องมีอะไรผูกใจไว้ถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวใจมันจะลอยไปกับความคิดแล้วมันจะดิ้นแล้วมันยานั่งไม่สงบเนั้ยต้องมีอะไรผูกใจไว้ให้มันนิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเอง <Yeah. S 1> ถ้าปรากฏมีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปตามรูก้กลับมาที่กรรมฐานของเราทันที มีเสียงปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามเสียงมีรูปปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามลูกมีแสงปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปตามแสงกลับมาที่กรรมฐานกลับมาที่พุทโธถ้าใช้พุทโธกลับมาที่ลมถ้าใช้ลมกลับมาการสวดมนต์ถ้าใช้การสวดมนต์เราต้องยึดติดกับกรรมฐานเท่านั้นใจเราถึงจะเข้าสู่ความสงบได้แล้วต่อไปนี้เราก็จะมาจะเจริญสตินั่งสมาธิ ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอเวลาใกล้จะหมดพอดีพอดีฝนจะตกก็เลยต้องขอยุติการนั่งไว้เพียงเท่านี้ก่อนก่อนจะเลิกก็สังเกตดูว่าวันนี้นั่งดีหรือไม่ดีถ้านั่งดีก็ให้นึกถึงจําเหตุจําวิธีนั่งไว้คราวหน้ามานั่งก็เอาวิธีนี้นั่งต่อได้เลยอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบ เราวันนี้จะให้พอรอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวะเิวาหาปูราปุลิปุลิมติสักลังเอวเมวะอิโตจินางเตตานังอุปกบปติยจิตังปัจจิตังสุนหังคิตเมวะสันิจะตุสัเพเทปุลมตูสังจักปา ยันโทปะนาสะโสยคามนิโชติ สุยท้าสัพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาศตุมัตถาวาจวันตาลายุสุขิจิขายุโกภวอาทิวาธนสีลิตานิจังวุฒาปัจจายโนจตารูธรมมวัันติอายุวันโนสุขัง าลา่ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถา ม, ถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบถ้าเลิกแล้วจะมาถามนี่ต้องขออภัยไม่สะดวกวันนี้ถ้าอยากไม่อยากถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้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 ผู้รับฟังหน้ากุติ99ท่านรวมทั้งหมด823ท่านครับกลาวนมศสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากทางอินบ็อกซ์ถามเข้ามาว่าวันนี้ผมขอถามพระอาจารย์สุชาติครับ ผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกปวดขามากครับแต่ก็คิดขึ้นได้ว่าที่พระอาจารย์สอนให้กำหนดรู้ว่ามันเจ็บไปเรื่อยๆผมก็กำหนดรู้ว่าเจ็บไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธอาการปวดก็ไม่หายครับจนนาฬิกาปลุกหนึ่งชั่วโมงผมเลยลืมตาออกจากสมาธิครับผมจะถามว่า อาการปวดขามันจะหายไปไหมครับหรือมันจะปวดไปเรื่อยๆแล้วผมสามารถเปลี่ยนท่านั่งได้ไหมครับมันจะหายก็ตอนที่เราตายเนี่ยดังนั้นอย่ากลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะเจออาการปวดก็อย่ากลับมาเกิดแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่มันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆมันก็เดี๋ยวมันปวดแล้วเดี๋ยวมันก็หายแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาปวดใหม่เราทาใจเฉยๆให้ได้แล้วเราใจจะไม่เดือดร้อนอย่าพยายามให้มันหายยิ่งอยากมันยิ่งทรมานใจ ถ้าไม่อยากจะทรมานใจก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปให้ความเจ็บปวดมันอยู่ของมันไปอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวบางทีมันก็หายของมันเองถ้ามันไม่หายเราก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้เจ้าค่ะจากพ่อไม่ประสงค์ออกนาม กราบนามัทสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกมีเรื่องจะกราบเย็นถามหลวงพ่อลูกคิดว่าน่าจะโดนหลอกโอนเงินมาจำสามพันกว่าบาทเพื่อทำความสะอาดบ้านแต่เขาไม่มาทำให้โทรติดตามหลายครั้งก็ไม่มีการตอบรับเงินมัดจำก็ไม่ได้คืนลูกเองก็มีส่วนผิดที่ขาดสติไม่ไตร่ตรองหรือตรวจสอบให้รอบครอบก่อนอเลยปรงใจคิดว่า เราคงไปทำาข่าไว้ถ้าไปแจ้งความเอาเรื่องก็รู้สึกเหมือนต่อเวรต่อกรรมไม่จบสิน้นแต่ถ้าปล่อยผ่านเขาก็คงไปทำกับคนอื่นๆแบบนี้อีกหรือถ้าจะคิดว่าก็เป็นผู้ร่วมชะตากรรมที่เคยเบียดเบียนเข่าไว้ลูกจะวางใจยังไงดีเจ้าคะระหว่างความยุติธรรมทางโลกกับวิบากกรรมทางธรรมเจ้าค่ะก็ต้องเอาทางธรรมน่นะ อย่าไปมีเวรมีกรรมกันก็แล้วกันส่วนเขาจะไปหลอกใครต่อแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้หรือแม้จะจับเขาเข้าคุกเข้าตารางพอเขาออจาคุกตารางมาเขาก็า จ, จะไปทําต่ออีกก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องนะเรื่องของเราที่จะต้องไปกังวลกับการกระทําของเขาให้เรากังวลกับการกระทําของเราว่าเราสร้างเวรสร้างกรรมหรือเปล่าถ้าสร้างเวรสร้างกรรมก็ระงับดีกว่าถค่นั้นเองส่วนเขาจะดีจะชัว่วก็จะไปทําอะไรนะั้นเนเรื่องของเขา เดี๋ยว ม, มันดีคนดีก็ต้องจับถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเองเจ้าค่ะจากคุณธีคทนาวันนี้นั่งสมาธิพร้อมกับพระอาจารย์มีความสงบค่อนข้างมากเจ้าค่ะคำถาม พระโสดาบันถ้าผ่านความกลัวจากการแก่การเจ็บและการไม่กลัวความตายอันนี้จะใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมเจ้าคะมองเห็นจากภายในแล้วว่ากายใจเป็นคนละส่วนกันแต่ความเจ็บปวดความแก่กำลังเกิดขึ้นความไม่เที่ยงกำลังเกิดขึ้นเห็นชัดขึ้นเป็นลำดับ แพ้บ้างชนะบ้างและจะทําต่อไปจนผ่านความไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไปเรื่อยจนกว่าจะเบาบางไปอีกเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกแล้วเราต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ร่างกายจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นหน้าที่รักษาใจให้เรานิ่งไม่ให้ไปทุกข์กับเขาเท่าไหม เชอค่ะจากคุณใบยกค่ะลูกนั่งสมาธิพอรวมถึงสภาวะอุเบกขานิ่งดูความนิ่งว่างดูความว่างจิตดูเฉยเห็นว่าลมไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่รู้ว่าลมจิตวางเฉยจิตเบาสบายสิ่งนี้ช่วยลูกในการดำรงอยู่ในเรื่องสิ่งกระทบและอารมณ์ที่จะตอบกลับให้เบาลง กว่าแต่ก่อนมากเจ้าค่ะหลายๆเรื่องลูกเฉยได้เจ้าค่ะถูกทางแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาชี้แนะลูกด้วยเจ้าค่ะถูกต้องแล้วเป้าหมายของเราก็คือวางเฉยแต่ไม่ใช่ไม่เฉยไม่ใช่เฉยเมยคือเราจะไม่มีอารมณ์กับอะไรแต่ถ้าเรามีอะไรต้องทามีอะไรต้องพูดเราก็พูดไปทาไปได้แต่ไม่ได้พูดได้หรือทาด้วยอารมณ์จะพูดหรือทาด้วยเหตุผลหรือด้วยความเมตตา มุดิตากรุณาอุเบกขาแต่จะไม่ใช้อารมณ์ความโลภความโกรธเป็นการในกระทของเราแต่ถ้าไม่ตอบโต้ได้ไม่ต้องทำอะไรได้ก็ดีที่สุดเฉยไปเจ้าค่ะของคุณใบ ย, ยกต่อเจ้าค่ะลูกไปเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือลูกต้องขัดกลาวใจตนตรอง รู้ต่างหากง่ายสุดไม่เหนื่อยซึ่งแต่ก่อนลูกมีแต่จะเอาชนะมองไม่เห็นทางแก้จริงๆคืออะไรเหตุ<ม>ที่คิดแบบนี้ผลพวงจากการนั่งสมาธิถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะแต่ก่อนจะมองไม่เห็นตัวเองเลยเจ้าคะ่ะยกต้องแล้วอย่าไปเอาชนะใครนอกจากกิเลสของเราเท่านี้ชนะกิเลสแล้วใจเราจะสงบจะสบายถ้าไปชนะคนอื่นแล้วใจเราจะทุกข์จเราจะวุ่นวายงั้นอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเลย เ, เขาจะดีจะเชื่อเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาไปจากคุณ24สิบี่เจ้าค่ะสอบถามพระอาจารย์ว่านั่งสมาธิได้สักพักกำลังจะสงบดีจะชอบมีอาการเหน็บกินขาจะมีเคล็ดลับสู้อย่างไรคะก็เหมือนกับความเจ็บปวดอย่างอื่นนะก็ต้องเฉยเฉยไปถ้าถ้ามันทนไม่ได้ก็ต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธช่วย<ม>พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อย จากคุณพรพันธ์เจ้าค่ะเวลานั่งภาวนามีความคิดแว บ, บเข้ามาควรทำอย่างไรดีคะกรรมะหะกรรมะหะกรรมฐานถ้าเราดูลมเมื่อกลับมาดูลมถ้าเราพุโทโธก็กลับมาที่พุโทโธอย่าไปตามความคิด สากทาง YouTube เจ้าค่ะกล่าวนมัธ ก, การเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเดินจงกรมจิตของเราต้องจับอยู่ที่คําบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออยู่ที่เท้าที่ก้าวเดินซ้ายขวาเจ้าค่ะแล้วแต่เราจะถนัดเราชอบแบบอย่างไรก็ใช้ได้จะดูการเดินที่เท้าก็ได้หรือจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็ได้ จ้าค่ะคุณหนึ่งถามเข้ามาว่าขอเรียนสอบถามค่ายังทำงานประจำอยู่และทำเฟ e บุ๊กเผยแพร่ธรรมะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาทำข้อมูลจึงเกิดความคิดว่าอยากนำเวลาไปปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิให้มากขึ้นแทนคิดแบบนี้ผิดหรือถูกเจ้าคะถูกแล้วงานปฏิบัตินี่สำคัญที่สุดปฏิบัติให้เราหลุด้นก่อนแล้วเราค่อยมาเผยแพร่ธรรมะ ท, ท Facebook ต่อเอง อันนี้ทิ้งเฟซบุ๊กไวได้ก็ทิ้งไว้เลยเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติเต็มที่เลยจะดีกว่าเจ้าค่ะหลวงลงสิงห์ถามเข้ามาว่าพระอาจารย์ครับปัจจุบันนี้ทําบุญอะไรที่ได้อา น, นิสงส์แรงๆได้ทันทีไหมครับก็ปล่อยวางร่างกายให้ได้ถ้าไม่ทุกกับร่างกายได้อา น, นิสงส์เต็มที่ได้บรรลุโสดาบันเลย ยังไม่มีคำถามเขามาสักค่ะมีใครอยากจะถามไหมเชิญถามได้นะจะได้แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นคำถามของเราก็เป็นประโยชน์เขาคนอื่นเขาอาจจะมีปัญหาเหมือนกันไม่กล้าถามหรือว่าต่อไปเขาเจอปัญหานี้เขาก็จะได้รู้จักวิธีแก้ได้ นั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่การปฏิบัติแล้วจะไม่มีปัญหาจะไม่มีความสงสัยต้องมีปัญหามีความสงสัยไม่ไม่มากก็น้อยงั้นถ้าหาคำตอบเองไม่ได้ก็ถามผู้อื่นดูแต่ถ้าเป็นไปได้หาคำตอบให้ตัวเองได้จะดีกว่าจะได้ไม่ต้องคอยไปขึ้นคนอื่นแต่ถ้ามันหาคำตอบไม่ได้ก็รอไว้ก่อนก็ได้เราก็ปฏิบัติของเราต่อไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ อ่าามมีในนกกรปฏิิบบัตัตต็จะได้คํเองเจ้าค่ะจากคุณชยันถามเข้ามาว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ครับจากคํากล่าวของหลวงปู่มั่นที่เคยกล่าวสอนหลวงปู่ฟั่นว่าอย่ามัวยึดติดในฌานหรือติดในความสงบเท่านั้นแต่ให้ปฏิบัติต่อจนสําเร็จธรรมขอเมตตาพระอาจารย์ในความหมายจากคํากล่าวนี้เป็นอย่างไรครับ คือการบรรลุถึงฌานนี้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเดินทางไปกรุงเทพก็แข่งถึงแค่ปากน้ําอย่าเพิ่งหยุดที่ปากน้ําให้เดินทางต่อไปได้ฌานแล้วอย่าไปหยุดทําแต่ฌานอย่างเดียวได้ฌานแล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายเวทนาจิตแล้วจะได้ไปถึงนิพพานได้เจ้าค่ะ คุณอภิวัตพระอาจารย์เคยไปยกะฟังธทมหลวงปู่ฟ้านอาจาร์โรไหมครับไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าเวลาไปอยู่กับลงตาท่านก็จะไม่ให้ออกไปข้างนอกให้ภาวนาอย่างเดียวเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะเอาไปหาครูบาอาจารย์รูปไหนก็สอนเหมือนกันเสียงสมาธิปัญญาเนะภาวนาพุทโธเนาะ อันนั้ไม่ต้องไปกราบครูบาอาจารย์ออกไหนเหมือนกันทุกผู้ถ้าเป็นสายหลวงปู่มั่นเนี่ถ้าเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วจะสอนเหมือนกันทั้งหมดสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนเรื่องทุลวงขวัตสอนเรื่องกรรมฐานจะไม่สอนเรื่องอื่นเฉั้นถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องเราหล่านี้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาครูบาอาจารย์รูปอื่นเหมือนกันเหมือนรถโตโยต้ารุ่นเดียวกันอะจะขับคันไหนมันก็มันก็มันก็รุ่นเดียวกันเหมือนกัน ใช่ค่ะคุณดาวรินีถามเข้ามาว่าพบว่างค่ะเราจะทราบได้อย่างไรว่าพบว่างจริงหรือจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองจะสังเกตอย่างไรคะอา้าว่างต้องไม่มีความอยากได้อะไรอย่างมีอะไรอยากเป็นอะไรค่ะคุณชุก้าเรียนถามค่ะเวลานั่งสมาธิชอบไปบังคับลมหายใจให้เข้าออกยาวๆแก้อย่างไงดีคะอย่าเพิ่งดูลมกลับมาใช้คําบริกรรมพุทโธก่อน พราราติดนิสยัยถ้าดูลงทีไนก็จะบังคับมัอนอยู่เลยก็มาบริกรรพุโทโธพุทโธหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ค่ะคุณหนึ่งถามเข้ามาว่าเรียนสอบถามเจ้าขาเวลาที่รู้สึกโกรธเรามีอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วแล้วสักพักถึงตึงสติกลับมาอยากจะโกรธให้น้อยลงหรือไม่โกรธเลยต้องปรับแก้อย่างไรดีเจ้าขะต้องไปแก้เหตุที่ทาให้เราโกรธ เอ๋อที่ทาให้เราโกรธก็คือความอยากของเราอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็โกรธขึ้นมาให้ถือนิสัยเป็นสันโดษยินดีตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีถ้าอย่างนี้เราจะไม่โกรธเจ้าค่ะคุณยี่สิบสี่คนที่เผยแพร่ธรรมะในโซเชียลเป็นธรรมทานแต่ก็ขอรับเงินบริจาคบอกว่าเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทาแบบนี้ได้บุญหรือบาปคะ ก็ไม่เป็นไม่เป็นทานอย่างแท้จริงมีมีความโลภแอ บ, บแฝงอยู่อาจจะใช้การเผยแพร่ธรรมะเป็นเครื่องมือท ร, รมาหากิน ก, ก็ได้ถ้าเจอแบบนี้ก็อย่าไปส่งเสริมอย่าไปสนับสนุนไปหาธรรมะที่ฟรีดีกว่าไม่ต้องเสียสตางค์สักคจากยู u b e กรบบาบนรัมการเรียนถามว่าหนูรู้สึกว่าการเดินจงกรมนั้นจิตสงบ ยากกว่าการนั่งสมาธิจะฝึกอย่างไรจึงจะสามารถทําให้จิตสงบจากการเดินจงกรมได้ไง่ายขึ้นเจ้าค่ะคือถ้าเราอยากจะนั่งไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องเดินก็นได้กรณีที่เขาเดินกันก็เพราะาเขานั่งไม่ไหวแล้วนั่งมานานแล้วต้องรู้คุณไปเปลี่ยนอริยาบทชั่วคราวก่อน <Yeah. S 2> ก็เดินจงกรมนี้ไม่ต้องการให้มันสงบต้องการให้มีสติก็พอ ให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทธโธและอยู่กับการเดินไปแต่มันมันจะไม่มันจะไม่นิ่งไม่สงบเหมือนเวลานั่งสมาธิแต่เราต้องเดินเพื่อผ่อนคลายร่างกายอุปยาบทนั่งนานๆแล้วมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็ลุกขึ้นมาเดินสักพักหนึ่งพอหายเจ็บหายปวดหายเมื่อยแล้วเราก็กลับมานั่งใหม่เพียงเจ้าค่ะเย่นสมมติถ้าเกิดมีมีคนเดินจงกรมอ่เพียงเดินจงกรมแล้ว จนส้นเท้าแต่แบบนี้ถือว่าทรามานของขาดไหมคะหรือหรือไม่ไม่เกี่ยวกอแล้วแต่ว่าความเพียรน้อยไงเราคนยอมตายเพื่อเพื่อทำพระพุทธเจ้ายอมอดฆ่าห้าสิบเก้าวันสี่สิบเก้าวันเพื่ อ, เ พ, อเพื่อหลุดพ้นเพีแต่ว่าพอรู้ว่ามันไม่หลุดพ้นนั่นก็หยุดแค่นั้นเองแต่ความเพียรของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทุ่มเทบางคนหลวงตาเล่าฟังบรรลุเพราะว่าฝาเท้าแตกก็มีเดินเดินกองในท่าฝ่าเท้าแตก เพรฉะนั้นแต่ละคนการปฏิบัตินี้จะามามาวัดแทนกันไม่ได้บางคนก็มีความเพียรเข้มข้นกว่าบางคนก็มีความเพียร น, น้อยกว่ามันจะไม่ว่าเขาสุดตรงก็ไม่ได้แต่ละคนมีมีความสามารถต่างกันไ ป, ไป เจ้าค่ะจากคุณทีทักทีคัฒนาการที่เรามีข้อสอบบ่อยๆยากๆส่วนมากจะเป็นข้อสอบความป่วยเจ็บทุกข์เป็นอนัตตามาเรื่อยๆเป็นปกติของส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นด้วยใชไหมเจ้าค่ะก็มันเป็นเรื่องของร่างกายที่ทุกคนจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็ต้องเจอต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมล้วก็จะมีเครื่องมือรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับมัน ถ้าเราไม่มีเครื่องมือไม่มีการปฏิบัติเราจะทุกข์กับมันตลอดเวลาเจ้าค่ะจากทางเ facebook กราบสอบถามพระอาจารย์ครับกรรมชั่วที่เราทําตอนเป็นวัยรุ่นแต่ปัจจุบันเราเห็นโทษแล้วและตั้งใจไม่กระทําอีกตั้งใจจะสร้างแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ทําในอดีตจะยังส่งผลไปถึงพบหน้าใหม่ครับถ้าบุญน้อยกว่าบาปถ้า ในใจเราเวลาเราตายไปถ้าบาปที่เราทำมากกว่าบุญบาปก็จะส่งผลก่อนแต่ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะส่งผลก่อนฉะนั้นตอนนี้เรายังสามารถทำบุญได้ที่ทำบุญเยอะๆ เ, เพื่อที่จะให้มันมีมากกว่าบาปเพื่อที่บาปจะได้ยังไม่มีกำลังที่จะแสดงตัวออกมาได้แสดงผลออกมาได้ เจ้าค่ะจาก Facebook กราบธรรมชาการพระอาจารย์ครับขอเรียนถามว่าตอนนั่งสมาธิเราควรบริกรรมพุทโธควบคู่กับการดูลมหายใจเข้าออกหรือแค่เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับขอบคุณครับแล้วแต่เราจะถนัดังคนถนัดพุทโธอย่างเดียวก็พุทโธอย่างเดียวบางคนถนัดดูลมอย่างเดียวก็ดูลมอย่างเดียวบางคนต้องดูทั้งสองอย่างก็เอาทั้งสองอย่างได้แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะคุณมนทิราถามเข้ามาว่าเวลานั่งสมาธิมีอาการปวดหัวหนักหัวทําสมาธิไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรคะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะขอความเมตตาค่ะถ้าไปนั่งดูหนัง ม, ม, ม, มีอาการปวดหรือเปล่าถ้ า, ถ, าถ้าไม่มีการปวดก็แสดงว่าเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสป็นสร้างนิวรณ์ขึ้นมาการมฉันทะมันอยากจะดูหนัง พออยากจะดูหนังวมานบางคร้ามันนั่งสมาธิมันก็เลยทําให้เราปวดหัวขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจปวดก็ปล่อยมันปวดไปเราจะสู้กับมันมึงจะให้กูไปดูหนังกูไม่ไปกูจะนั่งสมาธิเดี๋ยวถ้าเราฝืยมันได้ชนะมันได้เดี๋ยวมันยอมแพ้มันก็หยุดพอมันหยุดแล้วอาการปวดก็จะหายไปเจ้าค่ะคนยี่สิบสี่ได้ยินว่าตายหมดลมขณะนั่งสมาธิจะไปพบภูมิที่ดีจริงไหมคะ ก็แล้วแต่จิตของเราอยู่ในในระดับไหนตอนที่เราตายถ้าอยู่ยังระดับเทวดาก็จะไปเป็นเทวดาถ้าอยู่ในระดับพรหมก็จะไปเป็นพรหมถ้าอยู่ในระดับเปรตก็ไปเป็นเปรตค่ะคุณอุปอิบค่ะเรียนถามค่ะการละอารมณ์รักชังกลัวหลงด้วยพุทโธก่อนและนังสมาธิ จะมีบางครั้งหนูพบปัญหาอารมณ์ขึ้นมาเกิดปลุงสุขพิจารณาดูพบว่าสมาธิที่เราซ้อมมาสามารถแก้ไขปมอันนั้นได้มันคลี่คลายลงเข้าใจความรักของคุณแม่ได้อย่างลึกซึ้งอย่างนี้พอจะดูถูกต้องไหมคะที่อารมณ์ที่ละอารมณ์ให้ได้ต่อไปและละรูปขันห้าต่อไปก็ถูกต้องะละได้ก็ดี ยังไม่มีคําถามเขามาเจ้าค่ะคงจะไม่มีใครอยากจะถามอนะไรมั้งอันนี้ดินฟ้าอากาศก็ไม่อำนวยก็จะปล่อยให้กลับบ้านก่อนจะได้ไม่ลาบากตอนนี้เดี๋ยวกฝนตกมาเองจะจะลําบากก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเถอดสาธุ